ดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักเนื่องในวโรกาศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพศ2549นี้ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงงานมาอย่างหนักและต่อเนื่องยาวนานตลอดระยะเวลา60ปีเพื่อบำบัดทุกขบำรุงสุข และเป็นที่พึ่งให้แก่ประสบนิกรชาวไทยทั้งประเทศดิฉันจึงใคร่ข อ, อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักหนึ่งเรื่องซึ่งนำมาจากหนังสือที่มีชื่อว่าใต้เบื้องพระยุคลบาทโดยผู้บรรยายคือดรสุเมธ ตันติเวชกุลณโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในชื่อตอนว่าอันเนื่องมาจากพระราชดําริเขาเชิญติดตามรับฟังกันเลยนะคะ ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชมหาราชที่ทรงครองราชมาถึงปีนี้คือปีพศ2540เป็นปีที่52แล้วการครองราชของพระองค์ตลอดระยะเวลา50กว่าปีนั้นถือเป็นการครองราชที่ยาวนานที่สุดของพระมหากษัตริย์ในโลกนี้ ห้าสิบปีพวกเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรข้าราชการในแผ่นดินนี้ให้มีอายุราชการยืนนานเท่าใดก็จะไม่เกิน40ปีเพราะเริ่มต้นรับราชการอย่างเร็วที่สุดอายุ20สแล้วกเกษียณเมื่ออายุ60ก็เพียง40ปีเท่านั้นแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงครองราชคือหมายความว่า ได้ทรงทำราชการมาตลอดระยะเวลากว่า50ปีซึ่งถือว่ายาวนานที่สุดกว่าผู้ใดในโลกนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความเป็นอัจฉริยะในทุกด้านความเป็นพระอัจฉริยะของพระองค์นี้พระองค์จึงได้รับการทูลเกล้าถวายดุสดีบัณฑิตกิติมศักดิ์มากมายในการทูลเกล้าถวายนั้น พระองค์ทรงมีพระอารมณ์ขันคือครั้งแรกมีการทูลกล้าวถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านแพทยศาสตร์ได้รับสั่งกับข้าราช บ, บริพารที่ใกล้ชิดว่าเวลานี้เป็นหมอยาแล้วผ่านไประยะหนึ่งมีการทูลกล้าวถวายทางด้านนิติศาสตร์มีรับสั่งว่าก่อนนั้นเป็นหมอยาตอนนี้ เป็นหมอความแล้วนะผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งทูลกล้าวถวายทางด้านชีววิทยาเกี่ยวกับเรื่องดินรับสั่งว่านอกจากจะเป็นหมอยาหมอความแล้วยังเป็นหมอดินต่อมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทูลกล้าวถวายทางด้านดนตรีได้รับสั่งว่าเป็นครบหมอแล้ว ตอนนี้นอกจากจะเป็นหมอยาหมอความหมอดินแล้วยังเป็นหมอลำด้วยทุกคนคงจะเห็นว่าความมีพระอารมณ์ขันของพระองค์นั้นมีอยู่อย่างมากทีเดียวทรงพอพระทัยให้การทำงานทั้งหมดนั้นต้องทำด้วยความร่าเริงรับสั่งไว้อยู่สี่คำด้วยกันการทำงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องทำด้วย ความร่าเริงรื่นเริงคลึกคักและคลึกคลืนเป็นบรรยากาศที่จะนำงานทั้งหลายไปสู่ความสำเร็จเพราะฉะนั้นใครที่ทำหน้าหมกมุ่นจึงไม่ใช่วิธีการที่ดีเลยต้องมีความสนุกต้องมีความสนุกสนานในการทำงานต่างๆถ้ามีความเครียดหรือหมกมุ่นงานนั้นจะไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าใดนะัก อันนี้ขอฝากไว้ทำอะไรต้องสนุกต้องชอบในสิ่งนั้นถ้าไม่ชอบขืนใจทำก็คงไปได้ไม่ดีนะักเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงมีพระอริยภาพในรายละเอียดทุกๆเรื่องเวลาอ่านหนังสือจะพบโครงการในพระบรมราชาุเครโครงการในพระบรมราชูปถมัมโครงการตามพระราชประสงค์ โครงการตามพระราชดําริโครงการหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหลายคนคงจะถามว่าชื่อต่างๆนั้นหมายความว่าอย่างไรส่วนมากพอเห็นโครงการของเจ้านายไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะกล่าวว่าเป็นโครงการหลวงจึงจะขอเน้นย้ำข้อนี้อีกทีหนึ่งเพื่อเรียนให้ทราบเสียก่อนว่า คำต่างๆมีความหมายว่าอย่างไรโครงการหลวงนั้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ที่มีทางภาคเหนือกับชาวเขาเท่านั้นเพื่อให้ชาวเขางดปลูกฝิ่นลดการปลูกฝิ่นแล้วทดแทนด้วยการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ดําเนินแก่ชาวเขาเรียกว่าโครงการหลวง เพมีต้นกําเนิดจากการที่ชาวเขาถวายพระนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเจ้าพ่อหลวงยังจําได้เมื่อ20ปีก่อนโนู้นได้เดินทางไปภาคเหนือได้ถามชาวเขาว่าหมูนี่เอามาจากไหนเขาก็ตอบว่าหมูหลวงในบ่อน้ํามีปลาปลานี้มาจากไหนก็บอกว่าปลาหลวง คืออะไรที่ได้รับจากทางราชการจะเติมคำว่าหลวงไว้ข้างท้ายหมดเลยเพราะฉะนั้นโครงการหลวงนั้นจึงใช้เฉพาะโครงการทางภาคเหนือของชาวเขาเท่านั้นย้อนกลับมาดูประวัติศาสตร์โครงการแรกๆจะอยู่ในบริเวณสองจังหวัดนี้คือเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตอนแรกใช้คำว่าโครงการตามพระราชประสงค์ อย่างโครงการหุกรกะพงนี้เป็นโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ใช้คำว่าโครงการตามพระราชประสงค์ระยะหลังมีรับสั่งว่าใช้คํารุนแรงเหลือเกินเพราะว่าการที่พูดว่าโครงการตามพระราชประสงค์หมายความว่าระเจ้าแผ่นดินมีพระราชประสงค์สิ่งใดก็ต้องทำถวายมิใญ่ว่าจะมีเหตุผลหรือไม่ทุกคนกลัวกันไปหมด สมัยก่อนนี้เมื่อมีพระราชกระแสก็เริ่มทำกันใหญ่โตเป็นต้นต่อให้มีเรื่องเล่าขานกันมาว่าในการเสด็จครั้งหนึ่งพื้นที่มีความแห้งแล้งไม่มีต้นไม้ใบยาาขึ้นวันที่เสด็จไปถึงพื้นที่นั้นมีต้นไม้แปลกๆขึ้นมาแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถพลาดสายพระเนตรไปได้แม้แต่น้อยขณะที่เราไม่มีการสังเกตอะไร ได้รับสั่งกับพวกเราว่านี่ดูสิกล้วยที่นี่กล้วยพันแปลกนะกล้วยรับเสด็จรับสั่งอย่างนั้นและเราดูก็เห็นต้นกล้วยมีใบมีลูกเหมือนกับต้นกล้วยธรรมดารับสั่งอีกว่าดูเครือดูปลีออกอย่างไรเราก็ดูอีกปรากฏว่าออกกันคนละทิศเลย ถ้าสังเกตดูปรีกล้วยจะต้องออกไปทิศทางเดียวกันทั้งหมดเป็นธรรมชาติของต้นไม้ที่จะออกไปในทิศทางเดียวกันคงเนื่องมาจากแสงแดดในเรื่องของกล้วยรับเสดจนั้นออกทุกทิศเหนือใต้ออกตกเพราะว่าฝังไว้เมื่อวานนี้เองเพราะเมื่อเสด็จมาจะรับสั่งเรื่องเกี่ยวกับการเกษตร ไม่รู้จะทำอะไรจึงฝังกล้วยเป็นการใหญ่เรียกว่ากล้วยรับเสด็จส่วนที่เกี่ยวกับน้ำยังเคยมีเลยในท่อน้านี้ปล่อยน้าเต็มซึ่งมีรับสั่งว่าน้ำรับเสด็จเพราะอะไรเพราะใต้รังน้าที่ขุดไว้มีหญ้าเขียวขึ้นเต็มไปหมดถ้าน้ำเต็มอยู่ตลอดหญ่างอกไม่ได้หญ้าที่เขียวแบบนี้ แสดงว่าขึ้นมานานแล้วแล้วปล่อยน้ำทับลงไปและนี่คือความละเอียดอ่อนทรงสังเกตทุกๆอย่างระยะต่อมาก็มีโครงการตามพระราชดำริโครงการนี้ก็มีรับสั่งอีกว่ายังรุนแรงเกินไปและเมื่อปี2524เมื่อรัฐบาลของพระนท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ ตั้งสำนัก ง, งานกปรปรอขึ้นมาตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาก็ได้มีพระราชกระแสว่าขอให้ตั้งชื่อว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมพระองค์จึงทรงตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดูผิวเผินอาจไม่เข้าใจก็ได้แต่เป็นการสดแสดงให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยของพระองค์ เกิรับสั่งว่าไม่ต้องการเป็นผดเด็จการเลยแม้แต่น้อยเมื่อมีพระราชกระแสหรือมีพระราชดำริใดๆเกิดขึ้นเราต้องกลับไปคิดเรานี้คือใครก็คือคนทำงานถวายจะเป็นราชการหน่วยงานองค์กรหรือใครก็แล้วแต่ต้องกลับไปพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่มีความเป็นไปได้หรือไม่ คุมค่ายอย่างไรหรือไม่พระองค์ได้รับสั่งแต่เบื้องต้นเลยว่าทรงเป็นที่ปรึกษาของชาติไม่ใช่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นประธานาธิบดีมาสั่งการกับหน่วยราชการแต่ว่าพระองค์เป็นที่ปรึกษาเมื่อรับสั่งหรือทรงเสนอแนะอะไรแล้วเป็นหน้าที่ของนักวิชาการผู้ที่มีบทบาททั้งหลายนั้นต้องไปพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วก็นำ ม, มากราบบังคมทูลได้ถ้าหากไม่เห็นด้วยถ้าได้มีโอกาสถวายงานจะเห็นได้ว่ามีการแลกเปลี่ยนความเห็นอยู่ตลอดเวลาสำหรับขั้นตอนการดำเนินงานโครงการเป็นอย่างไรโครงการต่างๆนั้นเกิดขึ้นมาได้สามทางด้วยกันวิธีการที่หนึ่งคือเป็นพระราชดำริของพระองค์เอง พระองค์ประทับอยู่ในพระราชวังจิตรดาแต่เท่าที่สังเกตทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือเรื่อง ใ, ใดๆนั้นทรงประจักษ์ในทุกอย่างบางครั้งเครื่องมือในด้านเทคนิคอย่างตามไม่ทันเป็นต้นว่ามีพายุใต้ฝุน่นลูกหนึ่งจำไม่ได้ผู้ชื่ออะไรเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นนานมาแล้วปรากฏว่า เรื่องคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาราคาหลายล้านบาทคํานวณว่าไต้ฝุ่นจะเข้าเมืองไทยแน่เข้ากรุงเทพแน่กรมอุตุก็ประกาศออกมาเลยว่าขอให้ทุกคนเตรียมตัวรับไต้ฝุ่นปรากฏว่าในระยะต่อมาเพียงเล็กน้อยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าไม่ต้องเตรียมตัวไม่เข้าแน่ พระกรมอุตุนิยมวิทยาทำงานในเชิงวิทยาศาสตร์ในเชิงวิชาการแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งประทับอยู่ในพระราชวังทรงไม่มีเครื่องมืออะไรแต่รับสั่งว่าไม่เข้าทุกคนรอคอยดูปรากฏว่าได้ฝูนลูกนั้นเข้ามาถึงเวียดนามแล้วฉลับขึ้นเหนือเข้าประเทศจีนตายกันเป็นร้อยเป็นพันคน หนงังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งได้พิมพ์เอกสารงานของกรมอุตุนิยมวิทยาเขียนเป็นลักษณะวิทยาศาสตร์มีความแรงลมมีจุดศูนย์กลางลมมีแรงลมไหลผ่านอาจจะเข้าแน่แต่บนนั้นมีสิ่งที่น่าสังเกตเพิ่มมาอีกสองอย่างด้วยกันคือดาวราศีสิงและที่รับสั่งในทีวีคือนางมณีเมฆขาและรับสั่งว่า นางมณีเมขคาามาบอกฉันว่าไม่เข้ารองแต่ความจริงทรงนำศาสตร์สองศาสตร์คือข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กับข้อมูลในเชิงโบราณซึ่งมีคุณค่าอยู่ด้วยเช่นกันถ้าเอาดาวเมืองในวันนั้นมาคำนวณปรากฏว่าไม่มีดาวเกี่ยวกับลมและน้ำเลยในดวงชะตานะวันนั้นทรงนาศาสตร์สองศาสตร์มารวมกัน และทรงตัดสินไปเลยปรากฏว่ากรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีเครื่อง300ล้านคำนวณผิดไปเลยคือพายุไม่เข้าและยังรับสั่งเพิ่มเติมว่าจะมีเข้าอีกลูกหนึ่งพายุใต้ฝุ่นลูกนี้ทรงติดตามมาตั้งแต่มหาสมุทรแปซิฟิกทีเดียวไล่มาเรื่อยๆไปสวัสดีท่านประธานาธิบดีของเวียดนาม พอสวัสดีเสร็จมาอวยพรวันเกิดท่านสีหนุจากขเขมนก็มาเข้าที่สัตหีบแต่กรมมาหลวงชุมพรมาไล่บอกไม่เอาไม่เอาเลยเข้าชุมพรไปเลยที่ชุมพรจึงมีพายุใหญ่เมื่อปีนั้นจะเห็นว่าการที่จะทำให้เราเกิดความจำคือเล่าสนุกสนุกแบบนี้ทำให้เราเห็นเส้นทางใต้ฝุน่น เวียดนามถึงขเมขเมรเขมรเสร็จก็เข้าสัตหีบสัตหีบเสร็จเข้าชุมพรแต่ว่าแปลกมากก่อนที่จะเข้าชุมพรประมาณ3 4ถึงชั่วโมงนั้นได้มีพระราชกระแสให้ตารวจตะเวงชายแดนที่ค่ายนาเรสวนขนของทั้งหมดไปไว้ที่ชุมพรเช่นข้าวสารกระปิน้าําปลาของบรรเทาทุกทั้งหมดมาไว้ที่ชุมพร ทุกคนก็งงว่าทรงมีพระราชบัญชาให้ขนไปทำไมไม่เห็นมีอะไรและจริงๆของนั้นพอไปถึงจัดระบบเสร็จก็ได้แจกพายุเข้าพอดีพระองค์ทรงเป็นนักคำนวณทรงมีพระปรีชาสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างเป็นเลิศที่สุดนี่คือวิธีการทำงานเพราะฉะนั้น 1. จะเริ่มขึ้นจากพระองค์จะส่งเริ่มด้วยสาเหตุใดา ย, ยากที่จะเดาอย่างเช่นรับสั่งว่าจะไปดูพื้นที่นั้นทางเหนือไกลลิบเลยแล้วเรารู้ว่าไม่เคยเสด็จไปที่นั่นแต่จะทรงอธิบายภูมิประเทศได้อย่างแจ้งชัดพอเราไปถึงที่นั่นเราต้องเชื่อเพราะพื้นที่แห้งแร้งจริงๆประชาชนประสบความทุกข์ยาก นี่คือโครงการที่พระองค์ทรงเริ่มขึ้น<ม>เป็นเรื่องประการที่หนึ่งประการที่สองเป็นเรื่องของหน่วยราชการหน่วยราชการบางทีมีโครงการมีแผนงานที่สำคัญแต่ขาดงบประมาณเลยไม่มีโอกาสทําโครงการหรือแผนงานนั้นจึงขอพระราชทานซึ่งก็จะพระราชทานให้ แต่ส่วนมากหรือเกือบทั้งหมดของโครงการนั้นเกิดขึ้นจากประชาชนเองคิดว่าในเมืองไทยของเรานั้นประมุขของประเทศเป็นผู้ได้รับจดหมายจากประชาชนมากที่สุดและได้รับการสนองตอบมากที่สุดตาสีตาสาตามีตามาเขียนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทั้งนั้นทุกวันนี้รับปบสนีมากมาย เรื่องการทำกินไม่ดีไม่มีน้ำบ้างคนที่เขียนมาขอยืมสตางค์ไปทำทุนก่อนก็มีทุกฉบับจะได้รับพระมหาการุณาที่คุณส่งให้แยกยากจดหมายมีปัญหาเรื่องอะไรก็ส่งไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและในเรื่องของการพัฒนาก็ส่งมายังสำนักงานของเราซึ่งจะส่งทีมงานไปดูบางครั้งโกหกก็มี เราก็จับได้ว่าแกล้งส่งข่าวมาเฉยๆอย่างนั้นก็มีหลังจากที่เห็นว่าเขาประสบทุกข์ยากจริงๆก็ประมวลเรื่องทั้งหมดนาขึ้นทูลกล้าวถวายขึ้นไปซึ่งก็จับพระราชทานแนวพระราชดำริว่าควรจะพัฒนาตรงนั้นอย่างไรจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติเลยส่วนมากจะเสด็จไปณที่นั้นด้วยพระองค์เอง ในยุคนี้คงเคยได้ยินคำที่เราอ้างอิงจากอารยธรรมตะวันตกว่าเป็นวิวัฒนาการใหม่ต้องมีการโลกาพิวัติคือทำอะไรจะต้องมีประชาพิจารณ์ทำอะไรต้องถามประชาชนเห็นภาพในทีวีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากรถพระที่นั่งไปหาประชาชนและประทับอยู่กับพื้นกลางถนนกลางเลน กลางโครนคันนาท่อนไม้ประชาชนนั่งอย่างไรจะประทับอยู่อย่างนั้นทรงทำอะไรรู้กันหรือไม่ทรงทำประชาพิจารณ์เมื่อประทับแล้วและประชาชนนั่งล้อมรอบพระองค์จะทรงหยิบแผนที่ขึ้นมาและรับสั่งถึงปัญหาของประชาชนเหล่านั้นจะทรงหาหนทางแก้ไข แต่เมื่อทำอย่างนี้แล้วปรากฏว่าคนกลุ่มหนึ่งได้รับประโยชน์นั้นมีมากกว่าจะทรงจัดการพูดคุยก่อนเลยว่าคนที่ได้ประโยชน์นี้จะช่วยเหลือคนที่ไม่ได้ประโยชน์อย่างไรคนที่ไม่ได้ประโยชน์คือใครเช่นบังเอิญที่ดินของเขาถูกน้าท่วมในกรณีของการทำเขื่อนซึ่งคนที่ได้รับน้ำเต็มที่นั้นจะต้องไปเจอจนผลประโยชน์ ให้กับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งได้ผลกระทบอย่างไรเจรจาสาเร็จแล้วประชาพิจารณ์ยังไม่จบยังไม่ครบองค์กรเมื่อประชาชนตกลงกันได้ก็จะทรงเหลียวกลับมาที่ฝ่ายราชการรับสั่งกับฝ่ายราชการว่าประชาชนต้องการอย่างนี้แล้วทางราชการพร้อมที่จะดำเนินการหรือไม่ เมื่อฝ่ายราชการบอกว่าพร้อมเรียบร้อยแล้วก็จะสรงเหลียวกลับมาที่สำนักงานของเราอันนี้จะมีคำที่สองที่ตามมาที่เรามักชอบพูดกันคือวิสัยทัศน์จะท่งวาดภาพรวมทั้งหมดเลยบางทีรับสั่งว่าอ่างนี้จะส่งน้ำไปอย่างไรอันเป็นลันกษณะของงานที่จะทำในพื้นที่ แต่ทรงเหลียวกลับมาที่สำนักงานของเราอีกซึ่งจะต้องเป็นหน่วยงานที่ต้องประสานงานทั้งหมดจะทรงวาดภาพให้ดูว่าพื้นที่ทั้งหมดคือพื้นที่ทั้งภูมิประเทศทั้งคนทั้งหมดนั้นสุดท้าย10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าควรจะเป็นอย่างไรมีพระราชประสงค์จะให้เห็นเป็นอย่างไร ซึ่งจะทรงมีพระวิจารณญาณที่กว้างไกลเรื่องทั้งหมดปัญหาของบ้านเมืองต่างๆมีพระราชดดำริมาก่อนเป็นเวลา 10-10 ปีก่อนที่แผนของชาติหรือรัฐบาลจะนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในกิจกรรมของรัฐบาลซึ่งทรงนำไปก่อนแล้วประมาณ40ปีเป็นอย่างน้อยอีกคำหนึ่งที่มักจะพูดกันคือคาว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแปลว่าอะไรก็ไม่รู้พัฒนาที่ยั่งยืนบางทีมีชาวบ้านถามอย่างนั้นเช่นกันอยากอธิบายตัวอย่างง่ายๆคือการทำอย่างไรที่จะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นมีใช้อย่างไม่รู้จักหมดคือมีแทนกันขึ้นมาเรื่อยๆเช่น เราตัดต้นไม้ไปต้นหนึ่งก็มีต้นใหม่ขึ้นมาแทนที่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีการทดแทนกันตลอดเวลาเพื่อให้เกิดการสมดุลระหว่างสิ่งของกับตัวตนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงดำเนินการเรื่องนี้ด้วยพระอัจฉริยภาพเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเห็นได้ว่าทรงมองภาพรวมทั้งหมดเลยว่าลักษณะทั้งหมด จะเป็นอย่างไรอีกตัวอย่างหนึง่งเมื่อสิกว่าปีมาแล้วที่หมู่บ้านเสรีตอนนี้หมู่บ้านเสรีน้ำไม่ท่วมแล้วแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งท่วมอยู่ถึงสองเดือนวันนั้นได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพร้อมนักวิชาการที่เป็นด็อกเตอร์23คนได้กราบบังคมทูนแผนที่จะแก้ไข คือคิดที่จะเอาน้ำออกจากบริเวณหลังมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าจะทำอย่างไรที่จะเอาน้ำออกทะเลได้เร็วที่สุดนักวิชาการกราบบังคมทูลว่าต้องขุดคลองซึ่งใช้เงินประมาณ200ล้านต้องขุดคลองกว้าง1 0 0เมตรลึก4เมตรระยะทางยาวหลาย10กิโลเมตรพอน้ำเหนือบ่ามาเอาออกทะเลไปเลย มีรับสั่งว่าจะต้องใช้เงินไปเท่าไรสองร้อยล้านสงสัยจะไม่ไหวในได้ตรัสถามอีกว่าครองนี้ใช้ปีละกี่วันซึ่งได้กลาบบังคมทูลกันว่าปีละประมาณสากัก1 4บสี่ถึงสิบวันคือในตอนช่วงน้ำเหนือมาเท่านั้นแล้วไหลลงทะเลตรัสถามถึงช่วงเวลาที่เหลือได้กลาบบังคมทูลกันว่า ร่อยเป็นคลองแห้งๆรับสั่งว่าไม่พอหรอกคลองกว้าง100เมตรฉันต้องการคลองกว้าง1กิโลเมตรอีกส0บเท่าต้องใช้เงิน2000รล้านขนาดร0 0เมตรยังรับสั่งว่าแพงแต่มีพระราชประสงค์ให้มีขนาดกว้าง1กิโลเมตรทรงสยบความยากบนความง่ายทรงมองอะไรเป็นเรื่องง่ายหมด รับสั่งว่านักวิชาการพอนึกถึงคลองก็ต้องขุดกันไปตลอดคลองนี้เรามีอยู่แล้วแต่ใช้ปีหนึ่งไม่ถึง20วันทำไมจะต้องขุดด้วยคลองนั้นกว้างหนึ่งกิโลเมตรเสียเงินอย่างมาก60ล้านเท่านั้นเองทุกคนก็งงไปหมดเมียรับสั่งให้ทำคันถนนเสมอกัน ห่างกันหนึ่งกิโลเมตรขนานกันไปเรื่อยๆตรงกลางนั้นเก็บเป็นพื้นที่สีเขียวไว้ถึงหน้าน้ำมาก็ให้ไหลแปลระหว่างถนนนี้เรียกว่าคลองลอยฟ้าหรือคลองบนดินถ้าไม่ใช่หน้าน้ำก็มาปลูกข้าวปลูกอะไรไปก็ได้แม้กระทั่งหน้าน้ำข้าวอยู่ใต้น้ำาีสวันได้ไม่ตาย แต่ถ้าเกินกว่านั้นอาจจะตายเห็นไหมว่าทรงใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยนำของง่ายไปแก้ปัญหาของยากซึ่งเป็นเรื่องที่ทรงปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งมีรับสั่งว่าวันนี้เราไปเล่นสนุกสนุกกันดีกว่าเอาธรรมสู้กับธรรมมีรับสั่งว่าเดี๋ยวไปถึงก็จะรู้เองพอไปถึง เหม็นเน่ากลิ่นคลุ้งไปหมดเลยเหม็นจริงๆเพราะบึงมักกสันไม่ใช่น้ำแต่เป็นซ้วมไม่ต่างกับคนที่วงจรชีวิตไม่ครบเพราะฉะนั้นจึงรับสั่งว่าเอาอาธรรมสู้กับอาธรรมน้ำเน่าคืออธรรมผักตบชวาแน่นขนาดไปหมดก็คืออธรรมเอาสองตัวนี่มาสู้กันไม่เคยมีใครคิดมาก่อน เอาสิ่งที่ไม่ต้องการสองอย่างนี้มาสู้กันโดยใช้การจัดการเข้าไปการจัดการนี้คือการนำผักตบชวาขึ้นมาใช้ให้เป็นระบบโดยแบ่งเป็นแถวเป็นแนวน้ําจากหัวมุมปลายถนนพญาไทค่อยๆไหลผ่านมาผ่านแนวผักตบชวาผักตบชวานี้มีคุณสมบัติที่แปลกประหลาดมากทรงค้นพบว่า มีขีดความสามารถในการดูดซึมรับออโรหะหนะักซึ่งเป็นต้นตอของการเน่าเหม็นของน้ำนี้ได้และสามารถผลิตออกซิเจนลงในน้ำได้ด้วยไหลผ่านเป็นแนวเป็นแนวผลปรากฏว่าในตอนต้นยังไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยมีแต่เชื้อโรคพอตอนท้ายมีปลามีผักกระเฉดผักปุ้งขึ้นมานำน้ำมาวัดออกซิเจน เป็นที่น่าประหลาดใจมากเป็นน้ำที่สะอาดโดยไม่ต้องใช้เครื่องบำบัดน้ำเสียก็ใช้ได้นอกจากนี้บริเวณการรถไฟปลาที่จับมาให้ดูเขียวมันย่องเลยเหมือนสีน้ำมันเครื่องรถไฟเพราะตรงนั้นเป็นที่ซ่อมรถไฟพอซ่อมเสร็จก็เทน้ามันลงไปปลาก็กินน้ามันไปบ้าง ปราจากบึงมักกสันจึงไม่ต้องใช้น้ำมันทอดเพราะมีน้ำมันเหลืออยู่ในตัวเหลือเฟือเชื่อหรือไม่ว่าตอนที่ทำโครงการนี้ช้อนเอาน้ำมันเครื่องที่การรถไฟทิ้งแล้วนำมาทำการบำบัดกรองขึ้นมาใหม่และนำไปขายได้เงินสองแสนบาทคือทำให้สะอาดหรือรีไซเคิลนำกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งได้เงินตั้งสองสน ให้คิดดูปริมาณจะมากแค่ไหนแต่ตอนนี้สะอาดดีแล้วนี่คือวิธีการนำอธรรมสู้กับอาธรรมทรงมองลึกไปกว่านั้นอีกโดยมีรับสั่งต่อว่าผักตบชวานี้ทุกส2บสองวันจะเพิ่มสามเท่าตัวซึ่งน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นก็ต้องเต็มบึงต้องเอาไปทิ้งปัญหาคือทิ้งที่ไหน อย่างที่บอกเอาไว้แต่ต้นจะเห็นได้ว่าวิธีการที่ทรงคิดค้นจะไม่ให้เสียอะไรแม้กระทั่งนิดเดียวที่ได้รับสั่งไว้ว่าขาดทุนคือกำไรอย่างน้อยการจัดการในปัจจุบันต้องมีค่าใช้จ่ายบ้างให้ทำกำไรให้ได้ทุก42วันนำผักตบชวาเศษหนึ่งส่วนสานั้นไปใส่บ่อไว้ เอาหัวเชื้อใส่ทำเป็นปุ๋ยหมักและนำมาใส่ถุงไว้คนจนที่อยู่รอบๆ บ, บึงนั้นไม่ต้องไล่ออกแต่แสดงให้เขาเห็นประโยชน์จากบึงอันนี้เขาจะได้รักบึงนั้นเขาผักกระเฉดผักบุ้งปล่อยปลูกเสร็จแล้วก็ปล่อยเลยเขาก็เก็บมาขายได้เงินทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นราคามีผักกระเฉดมีปลา ย่อมจะมีเงินอีกรอบรอบปึงต้นโสนพอออกดอกชาวบ้านเขาก็เก็บขึ้นมาเอาจากสิ่งที่ไม่น่าเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นกลับมาทำให้เกิดประโยชน์ในรูปของเงินทองเขาก็จะเกิดความรักเราก็เข้าไปแนะนำวิธีการดูแลรักษาเพื่อให้สภาพเช่นนั้นดำรงอยู่ต่อไปนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่ง เกี่ยวกับการเอาอาธรรมสู้อาธรรมทรงนำทฤษฎีที่ง่ายๆมาปฏิบัติหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องของยญ้าแฝกมาบ้างปรากฏว่ามีฝรั่งคนหนึ่งจากธนาคารโลกสนใจ เ, เรื่องยญ้าแฝกเอาเอกสารเล่มเล็กๆมาให้ก่อนเสด็จแปลพระราชฐานไปพระราชวังไกลกังบน ซึ่งเห็นว่าน่าสนใจจึงได้ทูลกล้าวถวายขึ้นไปประมาณสองเดือนวันหนึ่งสเสด็จลงและรับสั่งว่าย่านี้เป็นย่ามหาัศจรรย์ย่าแฝกตามปกติที่เรารู้จักคือเอาใบมามุงหลังคาอย่างอื่นก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรประการแรกเรื่องย่าแฝกย่าแฝกกับย่าอะไรต่างๆที่เห็นอยู่ ยากที่จะเห็นสภาพแตกต่างจึงรับสั่งให้นํายาแฝกมาทดลองใช้ประโยชน์วันนั้นอยู่ที่ค่ายพระรามหกอาศัยง่ายเขาว่าเมื่อทรงมีรับสั่งจึงให้ตารวจตะเวนชายแดนหายาแฝกไปขุดยาแฝกมาเพราะทรงมีพระราชกระแสให้ดําเนินการทดสอบเรื่องนี้ภายในไม่กี่ชั่วโมงพอมาถึงปรากฏว่า เป็นญ้าแฝกที่มัดเป็นตับสําหรับมุงหลังคาเลยบอกต้องการต้นคนก็งงว่าเอาต้นหญ้ามาทําไมย้าแฝกนี้เป็นญ้ามหัศจรรย์มากคือหนึ่งไม่เป็นวัชพืชวัชพืชหมายถึงปลูกแล้วกระจายแบบย่าคาแต่ย้าแฝกปลูกตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นลงทางลึกอย่างเดียว จะขยายออกบ้างก็เล็กน้อยเท่านั้นเองเคยเจอยญ้าแฝกที่อินเดียมีอายุถึงร้อยปีแนวเดียวขึ้นอยู่ตรงนั้นทดแทนกันเรื่อยๆรากตึกยาวถึง5เมตรหมายความว่าเอาไปวางไว้ที่ริมระเบียงหอประชุมชั้นสองรากยาวจดพื้นและแน่นไปหมดรับสั่งว่าเป็นกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต เมื่อเอารากหญ้าแฝกไปส่องดูเป็นปล้องเหมือนหลอดกาแฟแต่จิ๋วมากมองด้วยสายตาไม่เห็นแนวรากหญ้าแฝกจะฝังลงไปลึกๆแล้วก็สานเป็นกำแพงประโยชน์อันแรกที่เกิดขึ้นคือป้องกันการพังทลายของดินได้อย่างมหาศาลในบ้านเมืองของเราตัดไม้ทำลายป่ามาก ในพื้นที่สูงหรือที่ภูเขาต้องทําเกษตรแบบขั้นบันไดเมื่อนํหญ้าแฝกไปปลูกเป็นแนวพอดินพังทาลายลงมาเจอแนวย่าแฝกซึ่งแข็งแรงมากเพราะรากอย่างลึกลงไปถึง 3-5 เมตรตินก็จะพอบเป็นชั้นขึ้นมาโดยปกติเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยลงแรงอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรมากเครื่องจับกลนก็ไม่ต้องใช้ และใบย่าแฝกยังนํามาใช้ประโยชน์ได้อีกใช้กลุ่มดินปลูกพืชก็ได้บางแห่งไม่มีฟางไม่มีใบไม้แห้งเอาย่าแฝกมามงหลังคาได้เอากลุ่มดินได้และเวลาหน้าฝนรากย่าแฝกที่มีปล้องเหมือนหลอดกาแฟนั้นสามารถอุ้มน้ำไว้ได้และจะเก็บความชื้นนี้ไว้เมื่อถึงหน้าแรง ต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆนั้นได้อาศัยความชุ่มชื้นที่เกิดจากรากแย่แฝกได้ด้วยเพราะฉะนั้นไม้ผลบางอย่างนั้นเราก็ปลูกแย่แฝกไว้รอบๆทรงมีรับสั่งว่าให้ปลูกเป็นรูปเครื่องวงกลมเพื่อให้ดักดินที่ไหลาจากที่สูงให้มาสะสมตามโคนต้นได้และยังได้อุ้มต้นไม้นั้นยามหน้าแรงด้วย จากย่าที่ไม่เคยสนใจย่าที่เราใช้กันมีทั่วไปตามหัวไร่ปลายนานั้นเวลานี้ได้ขยายผลไปอย่างมากมายทีเดียวต่างประเทศอย่างเช่นอเมริกาใต้บางแห่งปลูกเป็นรั้วบ้านเลยขึ้นแน่นไปหมดเวลานี้มีชาวมาเลเซียได้ทดลองนำไปใช้ปลูกรอบๆแปลงนาปลูกให้ที หนูและงูไม่เข้าไปในนาเลยเพราะใบคมใคร้ายาคาซึ่งบาดตัวงูกับหนูที่จะเข้าไปกินข้าวผลประโยชน์อย่างมหาศาลจึงเรียกว่ายามหมาหศจรรย์อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าคือทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลกที่เป็นนักประดิษฐ์ มีพระราชกระแสว่าเมื่ อ, อยังทรงพระเยาวมีความสนพระไทยและชอบประดิษฐ์มากทรงต่อเรือต่ออะไรหลายอย่างบางทีต่อกล่องที่พวกเราซื้อของนอกนะกล่องใหญ่กล่องเล็กด้วยกันทรงต่อได้และมีอีกเรื่องสนุกมากทรงต่อเรือรบสีอายุทยาย่อมาเหลือสเกลเพียงหนึ่งต่อห้าสิภูมิประไทยมาก คุณสมเด็จพระราชชนนีว่ารักมากต่อเหมือนที่สุดทรงใช้เวลาต่อนานมากฝีมือละเอียดวันดีคืนดีสมเด็จพระราชชนนีรับสั่งว่าจะเอาเรือไปแล้วจะเอาเรือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต่อนี้ไปพระชายนี้วูบเลยคล้ายๆกับว่าของเที่ยวเราต่อมาของเล่น ต่อเรือต่อเรือบินเมื่อเสร็จแล้วภูมิใจมากสมเด็จพระราชชนนีรับสั่งว่าต้องไปทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมขอเรือลำนี้ไปประมูลประมูลเพื่อเอาเงินทำการกุศลทรงถูกสุดมาซึ่งทรงยอมแต่ทรงมีรับสั่งว่าประมูลได้เท่าไหร่นั้นคนทำได้ส0เปอร์เซ็น์ซึ่งรับสั่งเล่า ว, ว่า รู้สึกจับประมูลได้ทั้งหมด 60,000 บาทสรงได้รับมา600บาทเป็นเงินก้อนแรกที่ทรงได้มาเลยมาซื้อกล้องถ่ายรูปอันแรกจะเห็นได้ว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่ทรงได้มาสมัยเด็กๆพระราชชนนีทรงฝึกให้ทรงทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ทรงถูกปลูกฝังมาโดยสมเด็จพระราชชนนี และสิ่งที่น่าประหลาดได้เกิดขึ้นคือเมื่อวโรกาศที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีนั้นเรือลํานั้นได้กลับมาหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งคนที่ประมูลได้นั้นได้นํากลับมาทูลเกล้าวถวายคืนแปลกประหลาดมากหลังจากที่เป็นเวลากี่สิบปีไม่รู้บุญกุศลนั้นได้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งได้รับสั่งว่า ประเทศของเราที่อยู่รอดมาได้นั้นเพราะประชาชนของเรานั้นยังให้กันอยู่เป็นพระราชาดํารัตสั้นๆและอยากฝากในที่นี้เราควรที่จะให้กับสังคมให้เป็นนิสัยไม่ใช่ว่าจะรับแต่อย่างเดียวเห็นแก่ได้อย่างเดียวตลอดชีวิตก็คงไม่ได้เพราะสังคมไทยของเรานั้นอยู่ได้เพราะการให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้หมดทุกอย่างกับพระสงนิกรและชาติบ้านเมืองตอนสมัยที่ยังทรงพระเยาว์ได้รับสั่งให้พวกเราฟังว่าทรงรับพ็อกเก็ตมันนี่อาทิตย์ละครั้งสมเด็จพระราชชนนีทรงตั้งกระป๋องไว้กลางที่ประทับรับสั่งเรียกว่ากระป๋องคนจนทั้งสามพระองค์ทรงได้รับพ็อกเก็ตมันนี่เท่ากัน เมื่อทำกิจกรรมใดมีกำไรก็ต้องหยอดไว้ 10% รซนรับสั่งว่าโดนเก็บภาษีมีใครบ้างที่พ่อแม่ให้เงินแล้วโดนเก็บภาษีพอสิ้นเดือนได้เท่าไหร่นั้นสมเด็จพระราชชนนีทรงประชุมทั้ง3พระองค์ว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรโรงเรียนตาบอดเด็กกรรําพราหรือไม่ก็ทำกิจกรรมเพื่อคนยากคนจน เห็นได้ว่าทรงถูกฝึกมาอย่างนั้นกลับมาเรื่องสิ่งประดิษฐ์ทรงสร้างเรือใบด้วยพระองค์เองเรือบดเรือแข่งทรงสร้างด้วยพระองค์เองรับสั่งว่าตอกนิ้วจนแตกบดเลยทรงเป็นนักประดิษฐ์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วเมื่อมีปัญหาเรื่องน้าเน่าเสียซึ่งต้องใช้ระบบบำบัดน้าเสียที่ใช้เงินเป็นพันล้าน ทรงคิดว่าในระบบเล็กๆนี้อย่างในโรงเรียนในร้านค้าในสถานประกอบการโรงงานในชุมชนควรมีเครื่องที่ช่วยตัวเองไปพลางๆก่อนซึ่งได้ทรงคิดขึ้นมาเรียกว่ากังหันน้ำชัยพัฒนาปัญหาสำคัญในการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียก็คือว่าทำอย่างไรให้มีออกซิเจนลงไปอยู่ในน้ำให้มากที่สุด เมื่อมีออกซิเจนถึงขนาดแล้วน้ำก็จะทุเลาความเน่าเหม็นกลับคืนสู่ความสะอาดทรงได้แนวพระราชดำเรินี้มาจากหลุกน้ำไหลามาจากลำธาร น, นั้นบนเขาเขาทำเป็นวงกลมเหมือนล้อกเกวียนแล้วทำเป็นกระบวยตักน้ำพอกระแสน้ำไหลามาโดนกระบวยจะหมุนตักน้ำซึ่งจะเป็นเช่นนี้อยู่เรื่อยๆ จึงทรงนำเอาแนวความคิดนั้นมาแต่ทำให้มันดีขึ้นปรากฏว่าน้ำสะอาดขึ้นได้รับความสำเร็จอย่างมากเลยวิธีการง่ายๆของกังหันน้ำใช้พัฒนาคือเอาทุ่นลอยสองตัวขึ้นวางประกบกันแล้วมีกังหันที่เหมือนชิงช้าสวรรค์ทำให้ยาวๆหน่อยตักน้ำขึ้นมาแล้วเทโปรยลงมาระหว่างที่น้ามันโปรยลงมา ก็จะผสมเอาออกซิเจนเข้าไปด้วยซึ่งได้ส่งออกแบบคิดค้นมาถึง 7-8 แบบด้วยกันมีทั้งฉีดมีทั้งฟองฟูดฟูดเอาท่อฝังก้นบอ่อแล้วปล่อยมาเหมือนให้ออกซิเจนเลี้ยงปลาปรากฏว่าได้นำมาใช้กันอย่างกว้างขวางมีนักวิชาการคอยติดตามผลซึ่งได้ทูลกล้าวว่าสมควรจะจดสิทธิบัตเพื่อเป็นเกียรติประวัติโดยเฉพาะ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกเลยที่ทรงคิดค้นเครื่องบำบัดน้ำเสียนี้ขึ้นมาก็ปรากฏว่าไปขึ้นทะเบียนขอจดสิทธิบัตรสิทธิบัตรนี้ไม่ใช่สิทธิบัตรของประเทศไทยแต่เป็นสิทธิบัตรสากลต้องทำเรื่องเสนอแผนเสนอแปลนเพื่อไปตรวจสอบที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นศูนย์กลางของการให้สิทธิบัตรทางด้านนี้ ของที่จะได้รับสิทธิบัตรต้องไม่เหมือนกับใครทั้งสิ้นที่เคยคิดขึ้นมาก่อนจะต้องดีกว่าและได้ผลกว่าของที่คิดมาแล้วฝรั่งเขาก็คิดคนทำนองเดียวกัน8เครื่องเช่นของสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียฝรั่งเศสของพระองค์นี้เป็นอันดับที่9ปรากฏว่าคณะกรรมการลงมติว่า เรื่องบำบัดน้ำเสียของพระองค์นั้นเรียบง่ายใช้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงกว่าแปดแบบที่คนคิดกันขึ้นมาจึงได้ทูลกล้าวถวายสิทธิบัตรให้และใครจะนำไปลอกเลียนไม่ได้แม้กระทั่งเรื่องเพลงดูง่ายๆดนตรีนี้ออสเตรียจารึกพระนามาพิธายของพระองค์เลยว่า ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางดนตรีเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นคนเอเชียคนเดียวที่ได้รับเกียรตินี้ทรงใช้ดนตรีในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลาที่ประเทศกำลังสงบจะพระราชทานเพลงที่สบายสบายออกมาแต่พอถึงมีการสู้รบกันภายในประเทศเพลงเราสู้บ้านเราเร้าใจให้เกิดความรักชาติบ้านเมือง อย่างเพลงรักพระองค์จะพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่ใช่รักโรแมนติกอย่างที่พวกเราชอบฟังกันอยู่แต่รักทะเลรักสายลมรักต้นไม้แม้แต่เพลงก็ทรงนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นฝรั่งเขาจึงเรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงงานในท้ายสุดนี้ นอกจากเรื่องราวต่างๆที่ได้เล่ามาแล้วณนะวันนี้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระจายอยู่ทั่วประเทศ 2,000 กว่าโครงการเขาพูดแบบภาษาชาวบ้านมาจากบุคคลคนเดียวคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดทฤษฎีรูปแบบต่างๆอย่างมากมายที่เล่ากันมาวันนี้ทั้งหมดเป็นเศษหนึ่งส่วนร้อย ก่อนจะจบท้ายนี้ขอเล่าเรื่องมูลนิธิชัยพัฒนาวันหนึ่งที่สกลนครส่งมีรับสั่งว่าราชการนั้นไม่ได้คิดวันนี้แล้วทำวันนี้ได้จะต้องวางดีกากว่าจะเบิกเงินทองได้ต้องใช้ระยะเวลามีพระราชประสงค์ที่จะมีระบบที่คิดวันนี้และทาเดี๋ยวนี้ได้เลยซึ่งรับสั่งว่า ถ้าทำแบบปกติไม่ได้ก็ทำแบบโง่กันเลยดีกว่าเราก็สงสัยทำแบบโง่ทำอย่างไรก็รับสั่งต่อว่าเหมือนกับที่คนอื่นเขาทำกันนะ่ะทำแบบโง่เดี๋ยวนี้มีเยอะแยะไปที่ทำ NGO อ่านว่าโง่ไม่ใช่หรือส่งร้องให้เกิดอารมณ์ขันขึ้นมาคือองค์กรเอกชนนั่นเอง จึงได้มีพระราชกระแสให้จัดตั้งมูลนิธิชื่อมูลนิธิชัยพัฒนาเพราะว่าเรื่องการพัฒนาประเทศเพื่อขจัดความทุกข์ยากนั้นเป็นเหมือนการทำสงครามทำสงครามเพื่อ น, นำไปสู่ชัยชนะและได้ทรงออกแบบตราสั ญ, ญลักษณ์ของมูลนิธิด้วยพระองค์เองเครื่องหมายนี้ประกอบด้วย4อย่างด้วยกันคือ พระแสงขันชัยสีคือกระบีเรียกว่าพระขันประจำพระองค์คล้ายเป็นจอมทัพนำไปจะทรงออกรบคนเดียวไม่ได้ก็จะต้องมีเราทั้งหมดข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารพระสกนิกายทั่วไปตามพระองค์ไปด้วยเพื่อให้เกิดผลไปสู่ความมั่นคงของประเทศเครื่องหมายที่สองคือ คงกระบีทุตเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งชัยชนะในการต่อสู้เพื่อป้องกันอาณาประชาราชและพระราชาอาณาจักรให้พ้นพยันตรายเครื่องหมายที่3คือดอกบัวซึ่งหมายถึงความสงบร่มเย็นศักดิ์ศรีความสงบสันติสุขและสังหลังน้ำหมายถึงความเจริญงอกงามและความบริบูรณ์แห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร อันจะนำไปสู่ความอยู่ดีกินดีอันหมายถึงน้ำที่จะสร้างความชุ่มชื้นแก่แผ่นดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และความร่มเย็นเป็นสุขนี้คือเครื่องหมายของมูนิธิช้พัฒนาก็เป็นมูนิธิแห่งแรกที่ส่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ด้วยพระองค์เองตามปกติจะมีมูนิธิในพระบรมราชูปถมัมภ์ พระบรมราชานุเคราะห์แต่นี่ทรงดํารงตําแหน่งเป็นนายกเองทรงมีรับสั่งว่ามีพระราชประสงค์ที่จะบริหารด้วยพระองค์เองโดยมีสมเด็จพระเทพประทานาราชสุดาสยามบ ร, รมราชกุมารีทรงเป็นประธานบริหารและตัวเองคือดรสุเมธได้ทรงมีพระราชกระแสแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการ เพราะฉะนั้นเวลานี้คิดเดี๋ยวนี้ทําเดี๋ยวนี้ได้เลยเงินทองหลั่งไหลมาทุกวัน50บาทก็มีร้านหนึ่งก็มีหลายล้านก็มีมาทุกวันและยังมีบริจาคมาจากองค์กรต่างๆตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าแม้กระทั่งจากชาวต่างชาติจะเห็นได้ว่าส่งทุ่มเททุกอย่างให้กับสังคม เราได้ทรงสั่งสอนสังคมให้ทำอะไรหลายๆอย่างท่งเข้าใจลึกซึ้งก็อดที่จะพูดถึงการเมืองไม่ได้แม้เด็กนักเรียนนักศึกษาก็ต้องรู้การเมืองขั้นพื้นฐานไว้ด้วยวันหนึ่งสเสด็จมาทรงงานตอนห้ถึง6โมงเย็นมีพระราชอาดตั้งไว้ให้ประทับแต่ไม่เคยประทับทรงมีรับสั่งว่าจะนั่งทำงานกัน ระทับบนพื้นธรรมดาสะดวกดีวางแผนที่ได้กว้างขวางซึ่งพวกเราก็ต้องรอมงงกันอยู่อย่างนี้นั่งพับเพียบถวายงานในวันนั้นทรงผินพระพักไปที่พระราชะาดรับสั่งว่าทำไมในหลวงจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเหน็ดเหนื่อยอย่างนี้ทั้งที่หน้าที่ก็ไม่ใช่ทรงมีรับสั่งต่อ ประโยคต่อไปนี้จำไว้ให้ดีมีเพียงสามประโยคแสดงให้เห็นว่าทรงเข้าใจถึงสังคมในด้านการเมืองประชาธิปไตยของบ้านเมืองอย่างแจ่มชัดทีเดียวรับสั่งว่าพระเจ้าอยู่หัวยังต้องเหนื่อยต้องลำบากทุกวันนี้เพราะว่าประชาชนยังยากจนอยู่เมื่อประชาชนยากจนแล้ว อิสรภาพเสรีภาพเขาจึงไม่มีและเมื่อเขาไม่มีอิสรภาพเขาก็เป็นประชาธิปไตยไม่ได้จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงต่อสู้อยู่ทุกวันนี้เพื่อขจัดความยากจนนั้นจุดหมายปลายทางไม่เพียงแต่ให้ประชาชนมีอยู่มีกินเท่านั้นแต่ให้ประชาชนนั้นได้มีอิสระและเสรีภาพ เพื่อจะได้ไปลงเลือกตั้งโดยไม่ต้องพวงอยู่ว่าเขาจะแจกเท่าไรสามารถตัดสินด้วยตัวเองเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเห็นได้ชัดเจนว่าส่งมองออกไปไกลถึงขนาดนั้นสุดท้ายก่อนจะจบนั้นก็ขอฝากสามคำที่จะต้องขอพูดอีกครั้งหนึ่งคนฟังคงจำได้แต่ปฏิบัติกันน้อยมาก ขอให้เราดํารงชีวิตด้วยคำสามคําคือรู้รักสามคัคคีหลายคนยังเขียนไม่ถูกด้วยซ้าไปเขียนติดกันหมดก็มีบางคนเขียนสองคำคือรู้รักสามคัคคีแต่แท้จริงคํานี้เรียบง่ายมากประกอบด้วยคำสามคําด้วยกันคือก่อนจะทําอะไรในชีวิต แม้กระทั่งการเรียนคอยเริ่มด้วยคำแรกก่อนคือต้องรู้เวลานี้บ้านเมืองสับสนทะลาะเบาแวงกันอยู่ทั่วไปเพราะว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานข้อมูลที่ถูกต้องเลยไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานข้อมูลเที่ยวรู้เลยเพราะฉะนั้นต้องเริ่มสิ่งเที่ยวรู้ใหม่รู้ปัญหานี้คืออะไร รู้ทางออกคืออะไรแต่ถ้ารู้แล้วเฉยไม่มีการกระทำเลยไม่มีคำว่ารักเลยรักนั้นคือความปรารถนาความเมตตาที่จะทาให้สังคมดีขึ้นหากไม่ช่วยเหลือสังคมก็ปราประโยชน์เท่ากับตำราเล่มหนึง่งเก็บกับตัวไว้ไม่นําไปใช้ต้องมีความรักความปรารถนาผลักดันให้เราทําไปด้วย ให้เรานำความรู้ออกมาใช้และคำที่สาตามมาพึงสังวรว่าเราไม่สามารถที่จะทำงานคนเดียวได้ต้องรวมเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นเหล่าจะได้เป็นพลังรู้รักสามคัคคีทั้งสคํคำตามความหมายที่ได้อธิบายมานี้จะเข้ามาประกอบกันเพื่อเป็นพลัง นำสถาบันนี้และประเทศชาติของเราก้าวหน้าไปสู่ความเจริญต่อไป